จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันพุดที่12บสองตุลาคมเป็นวันตักบาตรเทโวของวันญาณนะสังวรารามตามปกติแล้วการตักบาตรเทวโว จะตักในวันแรงหนึ่งาำเดือน11ก็คือพรุ่งนี้แต่ทางวัดยานสังวราราได้จัดให้ตักวันก่อนคือวันนี้วันขึ้น15ข้าำเดือน11เนื่อง <Ne eds S 2> จากมีศรัทธาญาติโยมที่ปรารถนาจะตักบาเทโว ที่วัดยาณสังวาร า, ลาและตักที่บ้านที่วัดบ้านของตนซึ่งตามวัดบ้านรอบบริเวณวันยานสังวาร า, านี้จะนิยมตักบาตรในวันแรงอย่างคัาทางวัดเลยได้จัดให้ตักบาตรในวันขึ้น15ข่15้าำเดือน1ิ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของพรรษายังไม่หมดพรรษาวันออกพรรษาเป็นวันพรุ่งนี้วันนี้เราเรียกว่าวันปวารณาออกพรรษาเนื่องจากมีพระพุทธบัญญัติให้พระสงฆ์ได้ประชุมกันในพระอโบสถเพื่อว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกัน เนื่องจากได้อยู่จำพรรษากันมาตลอดระยะเวลาสามเดือนแล้วก็คงจะรู้จักในสัยใจคอรู้จักพฤติกรรมทั้งดีและไม่ดีของกันและกันเพราะพระพุทธเจ้าจึงทรงสั่งให้พระนั้นเปิดโอกาสให้พระที่อยู่ร่วมกันนี้มีโอกาสว่ากล่าวตักเตือน กันได้ไม่ว่าจะเป็นรัษสามากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากันเพียงแต่ขอให้ว่ากล่าวตักเตือนด้วยความเมตตาด้วยความกรุณาคือไม่ได้ว่ากล่าวตักเตือนด้วยความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทแต่ว่ากล่าวตักเตือนเพื่อความหวังดีเพื่อให้ได้แก้ไข การประพฤติที่ไม่ดีนี่คือเรื่องของวันปวานาออกพรรษาส่วนเรื่องการตัดบาดเทโวนี้เป็นตำนานมาตั้งแต่สมัยพระพุทธการว่ามีอยู่พรรษาหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงมีความปรารถนาที่จะโปรดพระพุทธมารดาที่ได้เสด็จสวนโคตไปอยู่บนสวรรค์ เนื่องจากพระพุทธเจ้ามีพลังจิตสามารถติดต่อกับเทวดาทั้งหลายได้โตงจึงสามารถติดต่อกับพระพุทธมารดาผ่านทางพลังจิตด้วยการนั่งสมาธิแล้วก็เทศนาว่ากล่าวสั่งสอนพระพุทธมารดาอยู่ตลอดเวลาหนึ่งพันศา พอถึงวันออกภรรษาก็ทรงเสด็จลงมาจากสวรรค์แต่ความเสด็จลงมานี้ก็ไม่ได้ลงมาตามบันไดอย่างที่เราถูกสอนให้รู้กันแต่เป็นการลงมาทางทางจิตทางพลังจิตคือพระวรากายของพระพุทธเจ้านี้ไม่สามารถเสด็จขึ้นไปบนสวรรค์ได้ แต่มีพระไทยหรือพระจิตของพระองค์ที่สามารถไปได้แต่เนื่องจากจิตนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีรูปมีร่างไม่สามารถที่จะมองเห็นกันด้วยตาเปล่าได้จึงมีการเปรียบเทียบด้วยการวาดภาพเป็นบรนไดลงมาจากสวรรค์แต่ความจริงแล้ว จะขึ้นสวรรค์หรือจะลงสวรรค์นี้ต้องขึ้นไปด้วยพลังจิตคือต้องเข้าสมาธิผู้ที่มีพลังจิตจึงสามารถติดต่อกับกายทิพย์ต่างๆได้พระพุทธเจ้าก็ได้มีโอกาสได้ทดแทนบุญคุณของพุทธมารดาที่ทรงให้กำเนิดแก่พระพุทธเจ้าจนบรรลุเป็นพระอาริยบุคคลขั้นที่หนึ่ง คือเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันนี้มีอนิสงส์อยู่ที่ว่าภพชาตินี้จะเหลือไม่เกินเจ็ดภพชาติเป็นอย่างมากและจะไม่ต้องไปเกิดใช้กรรมในอบายอีกต่อไปนี่คือความสามารถของพระโสดาบันและเป็นความสามารถของพระพุทธเจ้า ที่จะสามารถสั่งสอนให้บุคคลที่เป็นพุตุชนธรรมดาอย่างพวกเราทั้งหลายสามารถบรรลุปเป็นพระโสดาบันได้สามารถไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปได้ถึงแม้จะเคยทำบาป ท, ทำกรรมมามากน้อยเพียงไรก็ตามพอได้บรรลุปเป็นพระโสดาบันแล้วก็จะมีดวงตาเห็นธรรม มีแสงสว่างทำให้เห็นทางทางทั้งทางที่ดีและทางที่ไม่ดีคือทางที่ไปสู่สุขติและทางที่ไปสู่อาบายไปสู่ทุกตติดังนั้นพระโสดาบันจึงสามารถหลีกเลี่ยงการไปเกิดในอาบายได้เหมือนกับพวกเราถ้าขับรถในเวลาค่ำคืนถ้าเรามี ไฟสองทางเราก็สามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้รถยนต์เราแหกโคง้งตกเหวได้เพราะเราจะเห็นทางตลอดแต่ถ้าเราขับโดยไม่มีแสงสว่างนาทางโอกาสที่เราจะขับแล้วแหกโคง้งตกเหวไปนั้นย่อมมีได้ฉันใดพวกเราผู้เป็นปุถุชนนี้ยังไม่มีแสงสว่างแห่งธรรม ที่จะพาชีวิตของเราให้ไปแต่ทางสุขคติเพียงทางเดียวเพราะเราไม่เห็นไม่เห็นทางทางแยกเวลามาทางแยกหรือทางโค้งเราจะไม่รู้เราก็จะขับไปแบบคนหลับตาขับไปขับน้นแบบหลับตาก็มีโอกาสที่จะต้องประสบกับอุบัติเหตุ ตกเหวตกถนนไปฉันใดพวกเราที่เป็นปุถุชนถ้ายังไม่ได้มีดวงตาเห็นธรรมยังไม่เห็นความไม่เที่ยงของสภาวธรรมทั้งหลายเช่นร่างกายของพวกเราว่ามีเกิดแล้วต้องมีดับเป็นธรรมดายังไม่เห็นว่าการทำบาปเป็นเหตุที่จะทำให้ไปเกิดในอบ า, าย ยังไม่เห็นว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นแสงสว่างที่จะพาให้พวกเรานั้นได้หลุดพ้นจากการที่ต้องไปเกิดในอบายนี่คือธรรมะแสงสว่างที่พวกเราต้องพยายามผลิตหรือสร้างขึ้นมาให้ปรากฏขึ้นมาในใจให้ได้และวิธีที่จะทำให้มี แสงสว่างแห่งธรรมนี้พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงสอนไว้ให้กับพวกเราแล้วคือให้ทำอยู่สามขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งเรียกว่าทานคือการให้ขั้นที่สองเรียกว่าศีลคือการไม่เบียดเบียนไม่ทำบาป 3. ภาวนาคือการทำจิตใจให้สงบให้สวา่าง ให้ใสสะอาดแล้วก็จะมองเห็นทางแหงที่จะไปสู่นรกทางที่จะไปสู่สวรรค์ทางที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานนี่คืองานที่พวกเราต้องทำกันถ้าเราปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากการที่จะต้องไปเกิดในอบ า, าย อบายนี้ก็คือที่เกิดของสัตว์เดรัจฉานของเปรของผีและของสัตว์นรกถ้าทําบาปแล้วจะต้องไปเกิดในที่ใดที่หนึ่งอย่างแน่นอนท่านแสดงไว้ว่าถ้าทําบาปด้วยความไม่รู้ด้วยความหลงด้วยความคิดว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มี ทำบาปแล้วไม่มีผลอะไรตามมาก็ทาพอทำไปแล้วก็จะต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานเช่นคนที่ต้องทำมาหากินด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเขาก็ไม่คิดว่าการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อเป็นการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงทองนี้จะต้องมีผลตามมาต่อไป เขาก็เป็นเหมือนพวกเดรัจฉานพวกเดรัจฉานนี้เขาก็ไม่รู้ว่าการฆ่าหรือการกินสัตว์อื่นนี้จะทำให้เขาต้องต้องใช้บาปใช้กรรมต้องกลับมาเกิดเป็นเดรัจฉานอีกนี่คือการไปเกิดเป็นเดรัจฉานเพราะความไม่รู้คิดว่าไม่เป็นไร เป็นเพราะคิดว่าเป็นการมีความจำเป็นต้องทามีต้องทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเช่นคนที่ไปยินนงนกตกปลามา mm hmm. เพื่อนำมาเป็นอาหารอย่างนี้ตายไปท่านแสดงไว้ว่าจะต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานส่วนพวกที่มีกินมีใช้พอกินพอใช้มีอาชีพที่ไม่ต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิต แต่เนื่องจากยังมีความโลภมากยังอยากจะได้มากๆ ก, ก็ยังไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อที่จะได้ร่ำรวยเพิ่มมากขึ้นพวกนี้ตายไปท่านบอกว่าจะต้องไปเป็นเปรตเพราะความโลภทั้งๆ ท, ง ท, งที่พอมีพอกินแล้วแต่ยังอดที่จะทำบาปไม่ได้เพราะอยากจะร่ำรวย อยากจะมีความสุขมากๆแต่หารู้ไหมว่าเป็นการสร้างบาปสร้างนารกสร้างความเป็นเปรตของตนขึ้นมาส่วนพวกที่คาาทำร้ายผู้อื่นเพราะความกลัวกลัวว่าเขาจะมาทำร้ายเราเราเลยไปทำร้ายไปฆ่าเขาก่อนเช่นเวลาเจองูเจอสัตว์เขายังไม่ ท, ทันทำร้ายเราเลย เราก็ไปทำร้ายเขาก่อนแล้วเพราะความกลัวโดยธรรมชาตินี้สัตว์ถ้าเรายืนถ้าเจอเขาแล้วเราอยู่เฉยๆเขาจะไม่ทำเราเช่นเวลาเจองูถ้าเรายืนเฉยๆพอเขารู้ว่าเราไม่ทำอะไรเขาเขาก็จะไม่ทำอะไรเราเขาก็จะเลื่อยไปดังนั้นถ้าเราเจอสัตว์แล้วเกิดความกลัวขึ้นมา ก็ขอให้เราระลึกถึงพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์เช่นให้ท่องพุทโธธรรมโมสังโฆไปภายในใจอย่าไปดูสัตว์ที่ที่น่ากลัวนั้นลึกสิ่งที่น่ากลัวพอใจเราสงบแล้วความกลัวหายไปเราก็จะอยู่เฉยๆไม่เดือดร้อนและสิ่งที่เรากลัวเขาก็จะไม่ทำร้ายเรา เพราะพระที่ท่านไปอยู่ทุดงในป่าท่านมักจะพบกับสัตว์ต่างๆเสมอแต่เนื่องจากท่านตั้งอยู่ในความสงบไม่มีกิริยาการที่จะทำร้ายเขาเขาก็เลยไม่ทำร้ายนี่เป็นวิธีที่จะแก้ความกลัวหรือขอให้เราคิดเสียว่าถ้าเราต้องตายไป โดยที่ไม่ได้ไปฆ่าเขานี้จะดีกว่ า, าการที่เราอยู่แล้วต้องไปฆ่าเขาเพราะว่าหลังจากที่เราอยู่ได้ไปอีกไม่นานเราก็ต้องตายอยู่ดีแต่เมื่อตายแล้วเราจะต้องไปเกิดเป็นผีหรือเป็นอสุรกายต้องไปเกิดในอบายสู้อยาไปอยู่อย่าไปฆ่าเขาดีกว่าจองว่าเกิดมาแล้วต้องตาย ชีวิตนี้ไม่มีใครที่เกิดมาแล้วไม่ตายยอมตายใจก็จะได้บรรลุปเป็นพระโสดาบันขึ้นมาเพราะเห็นว่าการเกิดนั้นกับการตายนี้เป็นเรื่องธรรมดาไม่ไม่มีใครหนีพ้นได้ยอมตายแต่ไม่ยอมทำบาสนี่ก็จะได้เป็นพระโสดาบาันจะได้ไม่ต้องไปเกิดนาาบายอีกต่อไป และจะเหลือพพชาติไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากก็จะได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ไปถึงพระนิพพานนินแดนอันกเกษมสันที่มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์มาผสมประสานเลยที่ไปของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลาย ไปที่ด้วยการไม่ฆ่าผู้อื่นไม่ทำบาปส่วนพวกที่ฆ่าด้วยความอาฆาตพยาบาทโกรธแค้นโกรธเคืองจองเวรจองกรรมพวกนี้ท่านว่าตายไปแล้วจะต้องไปเกิดในนรกเพราะเวลาที่มีความอาฆาตพยาบาทเคียดแค้นนี้ใจจะลุกเป็นไฟความรุ่มร้อนในจิตใจนี่แหละ คือไฟนรกที่จะมาเผาผลาญจิตใจหลังจากที่ได้ตายไปแล้วดังนั้นพวกเราจึงควรที่จะเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อว่าสิ่งที่พรอพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พวกเราปฏิบัตินี้เป็นประโยชน์กับชีวิตจิตใจของพวกเรา เพราะว่าพวกเรานี้ไม่ใช่เป็นร่างกายพวกเราเป็นจิตใจร่างกายนี้เวลาตายไปแล้วจิตใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตใจของพวกเรายังต้องไปต่อถ้าเรายังไม่ได้ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าเรายังมีความโลภความอยากต่างๆอยู่ หลังจากที่เราตายไปแล้วความโลภความอยากนี้จะผลักให้เราไปเกิดใหม่ส่วนจะเกิดสูงหรือเกิดต่ำเกิดดีหรือไม่ดีนั้นเป็นหน้าที่ของบาปและบุญจะพาไปแต่ตัวที่จะผลักให้เราไปเกิดนะันคือความโลภความอยากต่างๆถ้าเราสามารถชำระใจของเรา ให้สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีความโลภความอยากหลงเหลืออยู่ในใจแล้วใจของเราจะนิ่งสงบอยู่ตลอดเวลาจะไม่ไปไหนอีกต่อไปเช่นใจของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายใจของท่านสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีความโลภความอยากกับอะไรใจของท่านจึงอยู่เฉยๆไม่ต้องไปเกิดใหม่อีก พวกเราก็สามารถที่จะไม่ไปเกิดใหม่ได้ถ้าเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทําบุญรักษาศีลไม่ทําบาปแล้วก็ภาวนาชําระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าเราทําบุญและไม่ทําบาปได้แต่ยังไม่สามารถภาวนาได้เรายังต้องไปเกิดใหม่อีกแต่เราจะไปเกิด ที่สุกติไปสวรรค์ชั้นต่างๆเพราะว่าเราทำบุญไม่ทำบาปในทางตรงกันข้ามถ้าเราไม่ทำบุญเราทำบาปเวลาตายไปเราก็จะต้องไปเกิดในอบายนี่เป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้ด้วยพระองค์เองโดยที่ไม่มีใครทรงสั่งสอนมาก่อน พองค์ทงเห็นนรกและสวรรค์ที่ไม่ได้อยู่ที่ไหนเราแต่อยู่ภายในใจของพวกเรานี้เองเวลาที่เราทำบุญใจเราจะสงบจะเย็นนี่คือสวรรค์เวลาที่ใจเราทำบาปแล้ว เ, เกิดความวุ่นวายเกิดความรุ่มร้อนใจใจเรากำลังเป็นรนรกนรกอยู่ในอกสวรรค์อยู่ในใจ ไม่ได้เป็นสถานที่เหมือนกับกรุงเทพหรือเชียงใหม่แต่อยู่ที่ใจของเราที่เกิดจากการทำบุญหรือทำบาปดังนั้นเราต้องพยายามทำบุญอยู่เรื่อยๆ อ, อย่าทำบาปอย่างวันนี้ญาติโยมก็ได้มาทำบุญตักบาตรถาวายข้าวของเงินทองต่างๆเรียกว่าเป็นการทำบุญนอกจากนั้นก็ยังได้ สมาทานศี่หคือจะไม่ทำบาปถ้าเราทำอย่างนี้ได้เราก็จะมีสวรรค์เป็นผลที่จะตามมาต่อไปพวกเราตอนนี้กำลังเป็นเทพอยู่ภายในใจเป็นสวรรค์อยู่ภายในใจนรรในใจึงขอให้พยายามรักษาสวรรค์หรือความเป็นเทพของเราไว้อย่างสม่ำเสมอด้วยการทำทานอยู่เรื่อยๆ ด้วยการรักษาศีลตลอดเวลาถ้าเราอยากที่จะไม่กลับมาเกิดอีกเพราะเราเบื่อกับความทุกข์ที่เกิดจากความแก่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดจากความตายเกิดจากการพลากพลาดจากกันเกิดจากปัญหาต่างๆร้อยแปดพันประการเช่นตอนนี้ปัญหาน้ำท่วมเป็นต้น ถ้าเราไม่อยากจะต้องมาเจอกับความทุกข์เหล่านี้เราก็มีมีสิทธิ์ที่จะไม่กลับมาเกิดได้เราสามารถหยุดการเกิดของเราได้ถ้าเราชำระใจของเราให้สะอาด บ, บริสุทธิ์ด้วยการภาวนาที่มีอยู่สองขั้นด้วยกันคือสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาขั้นต้นนี้เราต้องทำสมถะภาวนาก่อน ก่อนที่เราจะวิ่งได้เราต้องเดินก่อนต้องเดินได้ก่อนถึงจะวิ่งได้ถ้าเรายังเดินไม่ได้เราจะวิ่งไม่ได้ฉันใดก่อนที่เราจ ะ, จะเจริญวิปัสสนาภาวนาได้เราต้องจเจริญสมถะภาวนาก่อนคือเราต้องทำใจให้สงบให้นิ่งให้เย็นให้สบายให้สวา่างให้ใส พอใจเราสงบเย็นสบายสายสว่างแล้วเราก็จะเห็นนาลมเห็นสวรรค์เห็นนิพพานเห็นการเวียนว่ายตายเกิดเห็นผู้ที่จะผักดันให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดได้พอเราเห็นแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องเจริญวิปัสสนาคือแยกเอาสิ่งที่มันไม่ดีที่บีอยู่ภายในใจ ของเราให้ออกไปนั่นก็คือกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆที่คอยฉุดลกหรือผลักดันให้เราไปเกิดอยู่เรื่อยๆถ้าเรามีสมถะภาวนาแล้วเราจะเห็นทันทีเวลาที่ใจของเรามีความโลภมีความอยากหรือมีความโกรธใจของเราจะกระเพื่อมขึ้นมา จะรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมา ท, าทันทีพอรู้ปั๊บเราก็จะสามารถหยุดมันได้เลยรู้ว่านี่คือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อจิตใจของเราคือความอยากความโลภความโกรธต่างๆดังนั้นเวลาเห็นอะไรแล้วเกิดความอยากได้ขึ้นมาถ้ามีสมถะผ่อนาคือมีจิตใจที่สงบนิ่งอยู่แล้ว จะเห็นความกระเพิ่มขึ้นมาภายในใจจะเห็นความรุ่มร้อนเกิดขึ้นมาภายในใจทันทีถ้าไม่เชื่ อ, อย่าโยงลองสังเกตดูตอนนี้นั่งอย่างนี้สบายใจอยู่แต่ถ้าเกิดอยากจะลุกขึ้นไปนี้จะรู้สึกอึดอัดใจจะรู้สึกรำคาญใจขึ้นมาทันทีเพราะความอยากทำให้เราทนนั่งอยู่ไม่ได้แต่ถ้าเราไม่มีความอยาก เรานั่งแล้วเราฟังธรรมไปด้วยความสุขด้วยความเพลิดเพลินใจของเราก็จะนิ่งจะสงบจะมีความสุขจะเป็นสมะถะการฟังธรรมนี้จะทำให้ใจของเราเป็นสมะถะภาวนาคือมีความสงบแล้วฟังด้วยด้วยด้วยปัญญาคือฟังแล้วเราพิจารณาตามเราก็จะเกิดปัญญาเป็นวิปัสสนาขึ้นมา จะเห็นว่าอะไรเป็นคุณเป็นโทษในใจของเราจะเห็นว่าความไม่อยากความไม่โลภความไม่โกรนนี้ทำให้ใจเราสบายทำให้ใจเราเย็นมีความสุขจะเห็นว่าเวลามีความโลภมีความอยากมีความกลัวมีความโกรธจะทำให้ใจของเราอึดอัดลาคาญไม่สบายอกไม่สบายใจ พอเราเห็นความแตกต่างเราก็จะสามารถทำใจให้สงบได้เพราะเราเคยทำมาแล้วเราทำสมถะภาวนามาแล้วเรารู้จักวิธีทำใจให้สงบแล้วพอเวลาใจจะไม่สงบเราเพียงกำหนดให้มันสงบมันก็จะสงบหรือจะใช้วิธีที่เราเคยทำมาเช่นบริกรรมพุทโธพุทโธไปเวลาที่เราเกิดความโกรธ เราก็บริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปเดี๋ยวไม่นานความโกรธนั้นก็จะสงบตัวลงใจของเราก็จะนิ่งจะเย็นสบายแล้วต่อไปใจของเราจะไม่มีความโลภความโกรธความอยากเพราะเราสามารถที่จะควบคุมหรือดับความโลภความโกรธความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจของเราได้ด้วยการจเจริญวิปัสสนาภาวนานี้เอง หลังจากที่เราได้สถมถะภาวนาแล้วคือหลังจากที่ใจเราได้ความสงบแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องคอยดูใจของเราดูว่าจะกระเพื่อมหรือไม่กระเพื่อมถ้ากระเพื่อมเราก็จะรู้ว่าเกิดจากความโกรธเกิดจากความอยากเกิดจากความโลภเราก็จะตัดความโกรธความโลภความอยากอยากทิ้งไปเพราะอยากได้อะไรมามันก็ไม่ปีประโยชน์อะไร ได้มาแล้วแทนที่จะทําให้ใจของเราสงบ ก, กับทำให้เราต้องเกิดความวิตกกังวลเกิดความห่วงใหญ่เกิดความโหงแหนและเกิดความเสีย อ, อกเสียใจเวลาที่เราต้องสูญเสียสิ่งที่เราได้มานี่คือวิธีที่จะหยุดใจของเราไม่ให้ไปเกิดเราต้องภาวนาคือสมะถภาวนาก่อนทําใจให้สงบ ด้วยการสวดมนต์หรอด้วยการบริกรรมพุโทโธพอใจเราสงบได้แล้วเวลาเราออกจากความสงบมาก็คอยดูใจของเราอยู่เรื่อยๆว่ากับเพื่อมื อ, อยังกำลังอุดอัดใจไม่สบายใจหรื อ, อยังถ้าเกิดอารมณ์เหล่านี้ขึ้นมาก็ให้รู้ไว้ว่ากำลังเกิดความโลภเกิดความอยากเกิดความโกรธขึ้นมาหรือเกิดความกลัวขึ้นมา เราก็ต้องตัดความโลภความอยากความโปวดความกลัวไปถ้าเราอยากจะให้ใจของเราสงบเย็นสบายเพราะไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะมีความสุขเท่ากับความสงบความเย็นสบายของใจเรานี้เองต่อให้เราได้เงินทองมากองเท่าภูเขาแต่จะความสุขนั้นจะไม่มี ไม่จะไม่ดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ถ้าเราได้พบกับความสงบของใจเพียงครั้งเดียวรับรองได้ว่าจะติดใจและจะไม่อยากได้ความสุขแบบอื่นอีกต่อไปคนที่ได้นี้ส่วนใหญ่เขาถึงออกบวชกันเพราะว่าเขารู้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับการบวชเพื่อให้ได้ความสุข ที่สงบที่เลิศที่ประเสริฐนี้นั่นเองจึงขอให้ท่านทั้งหลายจงได้นําเอาเรื่องราวต่างๆที่ท่านได้ยินได้ฟังมาในวันนี้นําเอาไปพิจิตรเจรจาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญเพื่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไป